ที่หลวงพ่อสอนให้นะต้องเอาไปทำธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เอาไปฟังเล่นเม่ต้องเอาไปลงมือปฏิบัติจริงๆเรามาเรียนเพื่อรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องลงมือปฏิบัติบางทีต้องลงเท้าปฏิบัติเดินจงกรมพระพุทธเจ้าช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเอง พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเป็นแค่คนบอกทางหลวงพ่อจำทางที่ท่านบอกมาเล่าให้ฟังเมื่อเรารู้ทางแล้วเราต้องเดินด้วยตัวเราเองให้ใจของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปทุกวันทุกวันเวลามองพัฒนาการให้มองเป็นไตรมาสนะมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยไง สักสามเดือนเนี่ยลองมองย้อนสามเดือนนี้กับสามเดือนก่อนใจเราเหมือนกันไหมดูเป็นลายใยมากถึงปีก็ประเมินผลสักทีเอาแบบสภาะวะะประเมินรายวันไม่ได้พก็ทำไมใช่ของจิตเนี่เยเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมทุกวันในตรงที่เสื่อมเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหาย เราไม่ได้ภาวนาเอาเจริญไม่ได้ภาวนาเพื่อเกลียดเสื่อมแต่เราภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกงั้นถ้าเราภาวนาแล้วมันเจริญรวดไปเลยเย่านะเราจะได้ความรู้ผิดความเข้าใจผิดคิดว่าเราบังคับได้กูเก่งแต่ถ้าเราภาวนาทุกวันทุกวันนะบางวันนะก็เหมือนกับภาวนาไม่เป็นเลยบางวันภาวนาแล้วเหมือนอีกนิดเดียวก็จะบรรลุมรรคผลแล้ว ดยช่วงหนึ่งก็เสื่อมสมัยที่หลวงพ่อหัดใหม่ๆนะมันมีวงรอบของมันระหว่างเจริญและเสื่อมเนี่ยรอบละเจ็ด ว, วันเจริญได้สักสามวันอะไรเนี้ยก็จะเสื่อมลงนะแล้วก็ไปทรงทรงตัวอยู่สักวันหนึ่งแล้วครบอาทิตย์นึงก็เริ่มเจริญอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยในการเจริญและกันเสื่อมเนี่ย มันจะมีลักษณะถ้าเป็นกราฟนะั่นจกขึ้นอย่างนี้นะมันลงจริงนะแต่ว่าเทรนของมันเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะนึกออกไหมลงอย่างนี้นะแต่มันจะขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยมันไม่ใช่อย่างนี้นะหรืออย่างนี้แย่ใหญ่เดี๋ยวถ้าถ้าเจออย่างนี้นะรีบทบทวนเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วยิ่งภาวนายิ่งเลวเลยไม่มีนะภา น, นาแล้วอย่างนี้ไม่มี ไม่มีไม่ใครต่ําเป็นเหนือมีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจิตมันจะเห็นความจริงไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เราภานาเหมือนกันทุกวันเลยนะภาพเพียนเต็มฝีมือของเราทุกวันทุกวันทั้งทั้งที่ภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจทุกวันนั่นแหละถึงเวลาก็เสื่อมงนงไม่ต้องตกใจเสื่อมแล้วทํำยังไงเสื่อมแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรทําอย่างเดิมปฏิบัติเหมือนกันทุกวัน คล้ายๆเราคุมตัวแปรตัวแปรตัว input อินพุตเราทาเหมือนกันทุกวันเลยมีอินพุตอันเดียวกันนะแต่ u อ p u ์ที่ออกมาเนี้ยไม่เคยเหมือนกันเลยบางช่วงจเจริญบางช่วงเสื่ อ, อ, อมนะเราจะรู้เลยมันมีตัวที่เออร์ออยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือใจของเราเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกเมื่อก่อนนะไม่ว่าจะปฏิบัติดียังไงนะ ก่อนจะปฏิบัติดีมันก็แย่ๆเหมือนๆกันหมด อ, อ, <c oughs> อย่าว่าแต่ระดับพวกเราเลยนะขนาดเราผู้ได้เจ้าเนี่ยสมัยยังไม่เป็นผู้ได้เจ้าก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทําความผิดนั่นก็เคยทําบาปเคยอะไรเคยตกนรกเคยอะไรเนี่ยเคยมาแล้วเท่านั้นอ่ะท่านบอกว่าท่านไม่เคยไปเกิดในพรหมสุทธาวาสเท่านั้นที่อื่นได่เคยเกิดมาแล้วเพรานั้นในนรกแปดขุมใหญ่นี่เคยเกิดมาแล้วล่ะ วนเวียนไปหมดแล้วอาคุศนมันก็ตามให้ผลท่านมาะกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันให้ผลเข้ามาที่ใจไม่ได้แล้วเป็นพระอทหารเนี่ยนะความทุกข์เข้ามาที่ใจไม่ได้ต่อไปแล้วมันจะเข้าที่กายอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านจะต้องอาพาธถ่ายเป็นเลือดแล้วท่านก็บอกแนละ้วันทําหนายเป็เลือดเพราะมันมีกรรมเก่าวันหนึง่ง ท่านเคยเป็นหมอระวังยาคนไข้ให้ถ่ายออกมาเป็นเลือดไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะจำไม่ได้มีมีกรรมเก่าหรือท่านก็หายน้ำบอกให้พระนนท์ไปตักน้ำให้พระนนท์ก็ไม่ไปบอกน้ามันขุนตักไม่ได้หรอกกองเกลียนเพิ่งข้ามแม่น้ำแคบๆแม่น้ำตื้นๆไปน้ำขุนชันไม่ได้หรอกถ้าต้องอดน้ำเคี่ยวเข็นพระนนท์ต้งสามรอบถึงไปตักให้ พร า, านนท์ไปจริงนะน้ำก็ใสอันนั้นก็เป็นผลของบุญของท่านให้ผลอีกตอนที่อดน้ําก็คือกรรมให้ผลอีกนั้นทุกคนต้องเจอเราก่อนที่เราจะดีเราเคยทําผิดมาแล้วทุกคนเคยทําบาปเคยทําชั่วทุกคนนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านมองพวกเรานะท่านมองด้วยความเมตตาสงสาร เพาไรตัวท่านเองแต่ก่อนก็เหมือนพวกเร า, างนี้แหละกระเสือกกระสนดิ้นรนอยากจะพ้นทุกข์มาลําบากยากเย็นนะดีบ้างร้ายบ้างขึ้นสวรรค์บ้างลงนรกบ้างไปเรื่อยเห็นแล้วไม่เห็นเราเห็นใจกันนะก็เลยนะอยากให้ทุกคนเนระิ่ได้เข้าใจธรรมะอยากให้คนปฏิบัติเลยนะไม่ได้หวังว่าจะต้อ ง, งได้อะไรตอบแทนหรอกแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามปณิธานที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ รเราก็ให้เจ้าท่านฝากฝังไว้นะให้เราทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะเราทําประโยชน์ไม่ใช่มีชีวิตแบบว่างเปล่านะบางคนพูดมักง่ายศาสนาพูดไม่ยึดอะไรเลยมีชีวิตแบบว่างเปล่าไม่มีอะไรนะชีวิตอย่างนั้นชีวิตหมาแล้วหมาที่เขาเรี้ยกไม่ต้องทาอะไรเนี่ยถึงเวลาเขาก็ให้กินเหมือนชีวิตปลาในตู้เไม่ประโยชน์อะไร อะไรตู้กระจกนะถึงเวลาเขาก็เลี้ยงมีชีวิตไปวันวันหนึ่งเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำอะไรพวกนั้นนะนนชีวิตเรามีเป้าหมายชีวิตเราต้องพัฒนาจิตใจของเราเองไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้แล้วส่วนใดที่เราเข้าใจแล้วนะเราก็ต้องบอกต่อด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยความเมตตาไม่ใช่ด้วยความอยากใหญ่อยากเก่งอยากให้เขานับถือ หลวงพ่อทำหน้าที่ของหลวงพ่อแล้วนะต่อไปนะพวกเราเราต้องทําหน้าที่ของตัวเราเองหลวงพ่อทําหน้าที่แล้วก็คือประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เราฟังถัดจากนี้พวกเราต้องทําหน้าที่ของเราเองคือทําประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมนะด้วยความไม่ประมาทถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วก็บอกต่อคําว่าประมาทคืออะไรประมาทคือไม่มีสติ กาสติและประมาทนะฉะนั้นเราต้องทําประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์อะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานี่มีประโยชน์ให้มีสตินะอย่าขาดสติมีสติเราก็รู้ทันจิตใจกิเลสเกิดรู้ทันศีลจะเกิดอาฆาโทสะนี่เกิดขึ้นมานะเรารู้ทันนะอาฆาตโทสะครอบใจเราไม่ได้นะเราไม่ผิดศีลเลยศีลอัตโนมัติมือ น, นเกิด ถ้าโมหะมันมาใจมันฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านโมหะจะดับเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องพอจิตใจเรามีสมาธิถูกต้องเรียกว่าเรารู้เนื้อรู้ตัวได้แล้วเราจะเจริญนปัญญาการเจริญนปัญญาเริ่มต้นด้วยการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแยกความรู้สึกกระใจออกจากการสุขทุกข์ก็แยกออกจากกายจากใจได้ วิธีแยกก็คือมันแยกด้วยปัญญานะไม่ใช่เอาแรงเข้าไปแยกบางคนใช้แรงแยกพยายามดึงจิตออกมาถ้าทำนั้นผิดลนะจิตจะเป็นตัวรู้ที่กระด้างแข็งใช้ไม่ได้นะงั้นเราต้องฝึกนะอย่างน้อยทำมาถึงขั้นเจริญปัญญาไม่ได้สมาธิไม่ได้เอาศีลให้ได้ก่อนก็ยังดีชีวิตนี้ถ้ารักษาศีลห้าได้นะก็ยังไม่ตกต่าเสมอตัว มีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์โง่ๆต่อพี่อีกนะแล้วกาแต่ต้องวนกวายนะยกระดับอย่ไปทุกชาติก็ได้แต่ศีลเนอนะเราก็ทะ่เจ้าไม่สรรเสริญความดีที่หยุดนิ่งอยู่มาทีนะ่ดีต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ดีอย่างนี้ดีมันก็ขึ้นลงขึ้นลงนะแต่เทรนด์มันต้องดีขึ้นนั้นอย่าไปท้อใจภาวนาตั้งนานแนละ้วเนี่ยภาวนามาเจวันแล้ว ทำไมไม่บรรลุอย่างที่หลวงพ่อว่าเจ็ดวันเะจ็ดเดือนเจ็ดปีเลยนะหรือราวนามาเจ็ดเดือนแล้วบังคับบางคนบกอกภาวนาเจ็ดนปะีแล้วในเจ็ดปีที่บอกภาวนาแล้วภาวนาจริงๆไม่กี่นาทีหรอกเอาเวลาไปใจลอยสมหมดแล้วไม่มีสติเรียกว่าประมาทนะงั้นอย่าให้ขาดสตินะคําว่ามีสติก็คือคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจนะเรียกว่ามีสติ แท้จริงคําว่าสติที่หลวงพ่อพูดนี่เป็นคําที่สูงกว่าสติทั่วไปสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจในพระพุทธเจ้าเรียกว่าสติปัฏฐานสติธรรมดาธรรมดาอย่างอยากทามุญอยากใส่บาตรอะเนี่ยนะใจที่เป็นกุศลเนี่ยจิตที่มีเป็นกุศลนะทุกๆดวงประกอบในสติทั้งหมดเลยแต่ว่าสติที่รู้กายสติรู้ใจนี่สติปัฏฐานถ้าเราอยากพ้นทุกเราก็ต้องทําสติปัฏฐาน ไม่ต้องไปหาตำราเรียราตอา่านนะนสติปัฏฐานนะถ้า อ, าอา่านอ่านพระไตรปิฎกนะมีสตีความคลาดเคลื่องกันมากไหมพายายามดูจากต้นกําเนิดจากสิ่งที่พระเจ้าสอนนะแน่นอนแล้วก็ดูคําอธิบายถ้าอยากได้คําอธิบายดูอักถา ก, ากาะืาอักตรกถาอธิบายคาแต่ละคํามีความหมายว่ายัางไงแล้วเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายมีสติรู้ใจ สติปัฏฐานมีสองระดับระดับเบื้องต้นทําให้เกิดสติมากขึ้นระดับเบื้องปลายทําให้เกิดตัณอย่างเราคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกแรกๆใจลอยบ่อยต่อไปรู้สึกได้บ่อยๆแล้วไม่ค่อยใจลอยนานใจลอยแอะก็รู้สึกแล้วมารู้เห็นร่างกายหายใจต่อนั่นเราทําสติปัฏฐานนะคอยระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้สภาวะธรรมอะไรพวกนี้ จะทําให้สติของเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอาจรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นหลงสั้นหลงสั้นหลงสติมันดีขึ้นสติปัฏฐานอีกงานหนึ่งคือทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็จะเริ่มเห็นเออรูปนี้นนกลางกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลโลภโลกรธหลงอะไรต่างๆนะ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่จะเห็นได้นี่ถ้าเห็นไตรักษณ์ก็เรียกว่ามีปัญญาแต่ปัญญาที่หลวงพ่อใช้เนี่ยเป็นปัญญาชั้นสูงเรียกว่าวิปัสนาปัญญาไม่ใช่ปัญญาทั่วๆไปนั่นคำว่าสติของหลวงพ่อก็สติชั้นสูงนะคือสติปัฏฐานปัญญาที่หลวงพ่อพูดก็คือวิปัสนาปัญญาไม่ใช่ปัญญาพื้นพื้นธรรมดาอย่างเข้าสมาธิได้ก็ถือว่ามีปัญญาจะเป็นปัญญาพื้นพื้น หรือสีชีพไรเขก็ทำได้ไปทำเอานะชีวิตจะดีขึ้นบางคนทำได้เดือนหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วคนทีดื้อหน่อยใจมันดื้อต้องทำหลายเดือนหน่อยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าคนไม่ดื้อ น, นะแป๊บเดียวก็เห็นแล้วได้ข่าวว่าในคอร์สนี้ก็มีเห็นกายไม่ใช่เราขึ้นมาลกลัวเพื่ออรกลัวเรื่องอะไรเมื่อกี้ เราเห็นร่างกายไม่ใช่เราเมื่อเรียนสามวันเห็นกายไม่ใช่เราค่อดูไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งจะเห็นไม่มีเรารไม่มีเฉพาะในกายนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราหรอกขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกจากขันห้าเองไม่มีที่ไหนเลยถ้าเห็นแจ้งนะก็ได้พระโสดาปลอดภัยล้ปลอดภยัดภยไม่แพ็อบาย ต่อไปให้สมกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อนมารอมนีใจมันคนไม่อ็ทิฟค่ะแล้วพ่อมันพักเยอะนะคะพักไม่เป็นไรถ้าใจเหนื่อยต้องพักนะไม่ฝืนนี่พวกเราบางคนกลัวจะช้าไม่ยอมพักเลยนะทีเจอเดินปัญญารวดไปนี้ไม่ดีไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ผลหรอกใจอยากพักเจ็ดวันให้มันพักแต่อย่าให้เกินเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่เอาใจพอลนะ้วที่ยะพั อลังจากนั้นมันยังขี้เกียจ ด, ดูกายดูใจก็น้อมออกมาดูเนะชี่ยวเขียนมันออกมาดูแต่ยังพวกเราช่วงนี้นะวุ่นวายกับการเมืองมากใจไม่ค่อยมีเรื่อวมีแรงนอะ่ะไม่มีแรงเวลาพาวนามที่ใจก็ไปพักนิ่งรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เฉยๆให้เขาพักไปอย่าไปฝืนถ้าเราไปฝืนดึงจิตออกมาจากสมาธิมันจะปวดหัวนะจะเครียดแล้วเหนื่อยไม่ดีหรอกให้พักให้พอ แต่ถ้ามันพักเกินเจ็ดวันเนี่ยมันขี้เกียจมันไม่ใช่พักแล้วมันเกินระดับมาตรฐานเราะงั้นยังไงก็อย่ า, า, ยาให้เกินเจ็ดวันเจ็ดวันจกลายเป็นนิสัยไปต่อไปจะพักตลอดเลยพักนิรันด์บางคนนะวา น, นาใจี่้ไปพักอยู่กับความสว่างว่างข้างนอกนะไม่เข้ามาย้อนมาดูกายดูใจว่างสว่างอยู่งั้นทั้งปีเลยอยู่ได้หลายๆปีนะ อยว่าแต่หลายปีเลยอยู่ได้หลายกลับเลยไปเ ป, ป็นรฟมนะใจว่างๆอยู่ น, นะเสียเวลามากเลยเลยคิดว่านี่แหละสัมผัสสุญญาตาสุญญาตาอะไรว่างตัวนี้ไม่ใช่สุญญาตานะว่างตัวนี้เรียกว่าอากาศสาอากาศอากาศสาว่างแบบว่างเปล่ามหาสุญญตาไม่ใช่ว่างเปล่ามหาสุญญตามันเป็นยังไงยาดมนี่ก็มหาสุญญตาอยู่แล้วไม่ต้องว่างเปล่าหรอกนะ สึกว่างัางเราหลับบ่อยอะค่ะไม่เป็นไรบอกแล้วว่าช่วงนี้เหนื่อยมามากก็หลับนะแถมอากาศเย็นอีกตามธรรมชาติสัตว์บางชนิดยังจำสีเลยเหนาวหนาธรรมดาจิตมันไหลตลอดมันดูไม่ค่อยทันมันไหลได้เองมันไหลได้เองเห็นไหม เราไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะหลายตั้งนาแลนะ้วรู้ชักใจเป็นมีปฏิกะรู้เหยีดเราไม่ไม่ใช่อยงนั้นนะเราดูสิทุกหลาเองไม่ใช่เราหรอกแม้ธรรมะเนี่ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เราไปคิดว่าธรรมะเนี่ยจะต้องดีต้องสุขต้องสงบเงนะี้ถ้าไม่ดีไม่สุขไม่สงบแล้วจะไม่มีธรรมะที่จริงในความวุ่นวายก็มีธรรมะอยู่ ถ้างมองเป็นนะดู ก, กายดูใจก็ททำงานไปเรื่อยเรยเราไม่จะไาคิดว่าทำไมช้าไปนี่ป็นผลเพราะเราอยากเร็วเรอถ้าเราไม่ได้อยากนะั้นไม่รู้สึกช้าแต่และ ว, วันเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปนะจะไม่รู้สึกว่าช้าเลยแต่ถ้าเราคิดถือหนะัคนเมื่มอไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ช้าเราว่าไม่มีอะไรที่ทันใจเราหรอก ทำได้สม่ำเสมอนะแล้ดูกายช่วยด้วยพออายุเยอขึ้นดูจิตบางทีเบลอๆเครื่งเคลมง่ายแล้วเคลื่อนไหวยังทํางานได้ยเคลื่อนไหวปวดบ้านทูบ้านได้ไม่ทําททงานไปดูกายทํางานไปพอจิตมีความรู้สึกอะไรแปลกๆเราก็ค่อยรู้เอาจึดไปตามธรรมดาไม่กระตุ้นหลกเสดมิมอนไม่เป็นไรเสดมิมวนไปหน้ า, หาใจมีความสุขรู้เสดมิมวนไปใจฟุ้งซ่านรู้ ดีัรณาได้สี่ห้าเนี่ยนะไม่ตกต่ำนะแล้วเสียสีห้าเนี่ยตกต่ำนี่มรณานะให้สี่ห้าก็ค่อนข้างจะฟุ้งนะครับคืนแล้วก็จิตไม่ตั้งมั่นไม่ชอบมันอนะ่ะจินไม่ชอบที่มันฟุ้งไม่ชอบที่มันไม่ตั้งจิตมันหงุดหงิดนะให้รู้ทันจินไม่เป็นกลาง ก็เวทนาทนี่เมื่อคืนนี้มันน้อยกว่าเดิมแต่ว่ามันจิตมันมันเหมือนทนไม่ได้เออนะให้รู้ทันจิตมันทนไม่ไหวแนละ้วรู้มันไปเรื่อยดีก็รู้ชั่วก็รู้สุข ก, ก็รู้ทุกก็รู้กกร ม, มีแค่นั้นเองรู้แล้วใจเป็นกลางก็รู้นะใจยินดีใจยินร้ายก็รู้เอาให้มันมีเครื่องอยู่อยู่กั็รออยู่ลมหาใจอะไรก็ได้เรามีเครื่องอยู่แล้วพอจิตเราหนีไปเราได้รู้ไว จิตไม่มีเครื่องอยู่เวลานหนีหนีนานนี่ในสติปัฏฐานเนี่ยจะเริ่มจากเครื่องอยู่นะประโยคแรกเลยกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายนะเป็นเครื่องอยู่หรือเอาเวทนาในเวทนาเป็นเครื่องอยู่คาว่าในในเนี่ยหมายถึงว่าบางส่วนเรียนส่วนน้อยแนละ้วเข้าใจส่วนใหญ่การเรียนธรรมะนะ การเจริญสติปัฏฐานจเจริญวิปั ส, สนาอะไรเนะนี้ยทาคล้ายๆงานวิจัยถึงเรียกว่าทำรรมาวิจัยเหมือนการทําวิจัยอย่างเราอยากรู้ทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาลเราไม่ต้องถามประชาชนทุกคนเราสุ่มตัวอย่างถ้าเราสุ่มเป็นนะสุ่มตัวอย่างเป็นเลือกตัวอย่างเป็นอนะไม่จะได้ภาพรวมเข้าใจทั้งหมดเรียนส่วนน้อยแล้วเข้าใจทั้งหมด อย่างถ้าเราเห็นว่าร right? like ่างกายเนี่ยร่างกายเราเรียนทั้งตัวมันยุ่งเอาแค่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้ให้เห็นว่าร่างกายหายใจออกมันไม่ใช่เราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราเราเป็นจะเข้าใจทั้งหมดเลยว่าร่างกายทั้งหมดไม่ใช่เราอนี้เรียกว่ากายในกายจิตในจิตก็เหมือนกันจิตเรามันวิจิตวิสดามีอะไรทั้งเยอะตั้งแยะนะแต่ถ้าเราคนไหนเป็นคนขี้โมโหดูจิตในจิตก็คือเห็นเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธ ก็จะเห็นเลยจิตนี่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธจิตนี่บังคับไม่ได้จะโกรธก็สั่งไม่ห้ามไม่ได้นะจะหายโกรธมัก็หายมานันเองบังคับไม่ได้พอเกิดความรู้ความเข้าใจจะเข้าใจวนะ่จิตทั้งหมดนั่นแหละไม่เที่ยงจิตทั้งหมดเราบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าจิตในจิตหมายถึงเรียนส่วนน้อยเราก็จะเข้าใจทั้งหมดส่วนน้อยนั้นพระพุทธเจ้าเลือกไว้ให้แล้วะในสปปติปัฏฐานสะี่ไปดูเอาดูเอาเองแล้วดูว่าเราจะอยู่กับอะไร เบือ้องต้นก็มีที่อยู่หน่อยนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถหรืออยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์อยู่กับความรู้สึกดีชั่วในใจอะไรเนี้ยก็เอาสักอย่างหนึ่ง น, นะเอาตามสนัดมันมีเครื่องอยู่แล้วก็อาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีคือมีความเพียนแผดเผากิเลสให้เล่าร้อนไม่ใช่เล่าร้อนเพราะกิเลสนะใช่ภาวนานแล้วก็ร้อนใจ เมื่อไหร่จะบรรลุเมื่มอไหร่จะบรรลุอย่นี้ไม่เรียกว่ามีอาตาปีนะมีความรู้สึกตัวมีสติแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะท่านบอกว่าวินัยญะโลเกะพิชาโทมานัสสะจะถอดถอนความยินดี ย, นยินร้ายในโลกออกเสียได้คําว่าโลกก็คือกายกใจเรารูปนามนี่เองอะไรเรียกว่าโลกรูปนามนี่แหละคือโลกงั้น เบื้องต้นนะมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นมิหารธรรมมีเครื่องสังเกตในอันหนึ่งก่อนแล้วก็มีความเพียแพททพรแผดเผากิเลสนะหมายถึงว่ากิเลสเกิดต้องรู้ทันนะนะรู้ไปเรื่อยกุศลมันก็องอกงามมีความรู้สึกตัวมีสติระลึกรู้กายรู้ใจเราไปเรื่อยเหมือนที่หลวงพ่อสอนจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง แต่สุดท้ายมันจะลงคําว่าเป็นกลางจะหมดความยินดียินร้ายในโลกเมื่อหมดความยินดียินร้ายในโลกจิตจะหลุดออกจากโลกเพราะไม่ยึดถือที่จิตติดโลกเพราะว่าไปยึดถือโลกยึดถือกายยึดถือใจเรียกว่ายึดถือโลกอยู่พอ เ, เห็นความจริงของกายของใจแล้วมันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเขาเรียกว่าพ้นโลกคําว่าพ้นโลกไปก็คือคําว่าโลงกุตระนั่นเอง ไม่เห็นยากเลยใครว่ายากก็เปือซิมีไหมมีสองสามคนหนึ่งเรื่นั้นว่า ง, ง่ายฟังง่าย <c oughs> ทำจริงๆต้องต้องสู้นะสู้กับอะไรบ้างสู้กับความขี้เกียจสู้กับความโลภอยากให้ได้เร็วๆนะสู้กับความเบือ่อก็ราค้าโทารศนะัพท์นั่นแหละสู้มันเข้าไปแต่แนะนำอย่างนะ ภานาเนี่ยอย่าร่อนเร่ไม่ต้องวิ่งเข้าวัดโ น, น้นออกวัดนี้ฟังอาจารย์โ น, น้นฟังอาจารย์นี้หลายๆอาจารย์นี่มั่วตลอด่ะไม่มีทางรู้เรื่องหรอกฟังหลวงพ่อให้เข้าใจนะภาวนานให้ได้ธรรมะคราควานี้ฟังที่ไหนก็รู้เรื่องหมดเลยรู้เลยว่าเนี่ยสอนผิดอย่างเงี้ยรู้เลยนะรู้อัตโนมัตเลยมันมั่ม่ ว, ม, วมั่วไปหมดเลยนะเราให้มันจริงจัง อเอใครจาเป็นจะคุยกับโลงพ่ออีกมีไหมเราคือไปมองมันอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีมันก็หุดหีดอะไรอย่างนี้อจจาที่นี้โ<ต>ยนยไม่รู้ว่าโยนควรจะทำใจยังไงเวลามองน่ะนะไปถล่าลงไปมองสิดูผางห่างดูเหมือนคนอื่นปวดตรงนี้เราภาวนาเนี่ยมีความปวดเกิดขึ้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายปวดนะ อยากห้ปวดก็ไปกินยาแต่เราพาวนาเพื่ให้เห็นว่าร่างกายก็อันนึงความปวดก็อันนึงความปวดก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้มันถึงเวลามันก็มาบังคับมันไม่ได้ดูไปจนกรทั่งใจได้ไม่เกลียดมันนี่เราเห็นความปวดแล้วเราไม่ชอบมัน่ะเกลียดมันอยากให้มันหายดังนั้นใจเราไม่เป็นกลางให้รู้ทางใจที่ไม่เป็นกลางใจที่ไม่ชอบมันนะพอใจเราเป็นกลางแล้วนะดูไปความปวดก็อันนึงร่างกายก็อันนึงจิตใจก็อันหนึ่ง ฝึกอย่างนี้ดีนะเวลาที่เราใกล้จะตายเวลาอาจจะปวดมากเจ็บมากถ้าเราเคยฝึกตั้งแต่อันเล็กนั้นน้อยอย่างนี้นะถึงเวลาสู้ครั้งใหญ่ในชีวิตเราเราก็จะผ่านได้เจ็บยังไงนะใจก็ไม่ทุรนทุรายเราไปสุคติได้หรือดีไม่ดีมันรู้มาผลในขณะนั้นเลยที่โยมทํามาใช้ได้แล้วนะขันแยกเป็นแล้วไม่แต่พอปวดเราดืบไปไม่ยอมแยกขัน ยืนอระหว่างยืนเข้าคิวรับอาหารเนี่ยเจ้าค่ะมันก็ปวดอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราก็พิจารณาว่าเอกายก็ส่วนกายเวทนาก็ส่วนเวทนาแต่มันก็มันก็ยังปวดมันก็ปวดตลอดเวลาก็ธรรมดาก็ก็ดูพยายามดูใจตัวเองว่ามันชอบหรือไม่ชอบมันหนูหงิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะและแหละทําถูกแล้วล่ะ พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะบอกคนทั้งหลายเนี่ยเวลาความทุกข์เข้ามาถึงกายนะความทุกข์มันจะเข้ามาที่ใจด้วยแต่ว่าสาวกของท่านเนี่ยความทุกข์มาถึงกายแนละ้ะเข้ามาไม่ถึงใจเพราะฉนั้นเราจะเห็นเนี่ยปวดเมื่อยก็หยุดข้างนอกนะอยู่ที่ร่างกายใจเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าใจยอมรับได้นะว่าความปวดเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาใจก็ไม่เดือดร้อน ถ้าใจไม่ยอมรับอยากให้มันหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยปฏิเสธปัจจุบันแล้วใจก็จะเดือดร้อนที่ยอมทำงานใช้ได้แล้วจะทำอีกนำ้ำมัสการ์ค่ะก็ตอนนี้ก็เห็นเกิดดับละเอียดขึ้นแล้วก็บางครั้งมันก็แยกบางครั้งมันก็รวมกบกิเลสนะคนะตอนที่มันแยกนะใจมันต้องตั้งมั่นถึงฐาน ถ้าใจไม่ถึงฐานก็่ะรวมรวมกันอยูหรือไม่ก็แยกแบบทื่อๆตอนนี้ใจถูกหรือยังใจถึงฐานไหมถึงเป็นธรรมชาติไหมไม่ได้เป็นค่ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่เอานะใจออกนอกใช่ใจใจออกนอกถ้าอย่างนี้นะก็ไม่เดินตัญญาถ้าใจเราถึงฐานสบายรู้เนื้อ ร, รู้ตัวไหดูคาดดูขันทำงานอย่างนี้ก็เดินปัญญาได้ การเดินปัญญาเนี่ยไม่มีใครเดินรวดเดียวนะก็เดินบ้างหยุดบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็จิตจะพลิกไปเป็นสมถะอย่างเรารู้ลมหายใจเงนี้จิตเป็นสมถะอยู่รู้ลมหายใจนะเพราะว่าเป็นการรู้รูปนะแต่อมาบางทีก็เห็นไห้ร่างกายที่หายใจไม่ใช่เรารูม้มีปัญญาให้มัเวลาปัญญาเกิดเกิดแวบๆบแบบไม่เกิดนานหรอกนะหรืออย่างขันมันอาจใหม่ๆนะมันชอบรวม เมื่อมันเคยชินที่จะรวมพอใจเราตั้งมั่นนกลางให้มันจริงก็แยกออกมาแรกๆก็แยกไม่นานเดี๋ยวก็รวมใหม่นฝึกไปนานๆนันก็นแยกมากขึ้นแม็กขึ้นนะพข้ารหันเนี่ยจิตไม่เคยรวมเข้ากับขันอีกเลยจิตพรากจากขันเด็ดขาดเลยของเรารวมบ้างแยกบ้างก็ดีแล้วล่ะดีกว่ารวมตลอดแต่ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือจิตไม่ถึงฐาน กับนรรมสการหลวงพ่อนะครับไม่ได้มาคุยสองสองปีกว่าแต่ก็แอบมาเรื่อยๆนะฮะทำไมต้องแอบมาล่ะก็จะถามหลวงพ่อคือมีอยู่วันหนึ่งนะฮะระหว่างฟังซีดีหลวงพ่อก็ปกติก็ฟังอยู่ตลอดนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อเทศว่า ร่างกายของเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟระหว่างนั้นนะฮะมันจิตเนี่ยฮะมันได้ใส่สะเทือน อ, อย่างรุนแรงนะครับโอ้ดีครับเออมันเป็นอาการของมันใช่ไหมครับรี่นั่นแหละมันมีปัญญาขึ้นมานะสัมสะเทือนเลยมันมันตกใจวกวับความเป็นจริงขึ้นมาครับคือมันได้เห็นความจริงขึ้นมา <c oughs> นใช่ได้เชียวล่ะครับดังนั้นไปดูกายบ่อยๆนะครับ เรืยว่าจิตเนี่ยชอบเรียนรู้กายนะธรรมะในเรื่องกายเนี่ยกระเทือนเข้าถึงใจเราก่อนก่อนหน้าก็เคยเคยเคยมาส่งกันบ้านหลวงพ่อครับก็คือปกติเนี่ยผมจะพิจารณาลูปนามตลอดนะครับแล้วทีนี้ก็เมื่อสักประมาณปีห้าห้าสองก็เคยมาถามหลวงพ่อว่ามันเกิดสภาวะอันหนึง่ง เอาไม่รู้ว่าคืออะไรนะครผมก็ผมก็ก็คือเหมือนเหมือนกับว่ามันดิ้นอยู่ตลอดนะพยายามแต่ว่ามันก็มันก็ไม่น่าหนักหลบพ่อพ่อเมื่มาถามหลวงพ่อเนี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าเดินปัญญามากไปให้กลับกมาทําสมถะพอผมมาทําสมถะหลวงพ่อหลวงพ่อ่อาทํามากไป อ้าเนี่ยแหละเหมือนที่หลวงตามหาบัวนะท่านเขียนเอาไว้อะท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นชเช้าขึ้นมาหลวงปู่มั่นถามว่าเป็นยังไงท่านมหาหงสงบครับสงบหลายๆวันก็โดนดุว่าไม่เดินปัญญาท่านก็เดินปัญญาคนความพิจารณาอยู่ในกายนะไม่ยอมสงบเลยหลวงปู่มั่นถามทีไรก็บอกมีปัญญาจเจริญปัญญาตลอดนะสุดท้ายก็โดนดุอีกแหละเขาเป็นอย่างนั้นแหละ เหมือนเราขับรถนะเหยียบคันเร่งตะบี้ตะบันก็ไม่ได้ใช่ไหมที่เหยียบแต่เบรกก็ไม่ได้สิไปไหนไม่รอดครับเดินปัญญานะเหมือนเหมือนเหยียบคันเร่งนะทําสมถามเหมือนเหยียบเบรกถึงเวลาก็ต้องเหยียบเบรกก็เหยียบนะถึงเวลาจะเหยียบคันเร่งก็เหยียบคันเร่งใจถึงฐานไหมตอนนี้ไม่ถึงนะถูกต้องใช้ได้แล้วล่ะดี ค, คือถ้าเรารู้สภาวะเราใช้ได้แล้วล่ะนะ เราก็ยังไม่พลาดในการปฏิบัติการนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อคือกับขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อสามเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือว่าหนูเป็นคนมีโมหะแล้วก็ฟุ้งซ่านมากแล้วก็โทสะก็แรงมากนะคะกับขอวิหารธรรมด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาวิหารธรรมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่หนักแน่นกับการอยู่กับวิหารธรรมด้านใดด้านหนึ่งค่ะ คือตอนนี้ถ้าใจเราฟุ้งมากนะอะไรเงี้ยก็ต้องทําสมถะแต่รเราขี้โมโหใช่ยิงสมถะที่เหมาะก็มีสองอันอันนึงก็รู้ลมหายใจอันนึงเจริญเมตตาเราทําไปได้หายใจไปหายใจพอใจสบายๆแล้วก็นึกไปขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญของเราด้วยอะไรเงี้ยใจพอใจมันสงบใจมสบายไม่มีแรงขึ้นมา มาเดินปัญญาต่อแยกธาตุแยกขันต์ต่อแล้วตอนนี้เราปรับใจของเราให้สบายก่อนนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะทีนี้หนูจะฝึกแยกธาตุแยกขันต์ยังไงบ้างคะเมือใจสบายแล้วนะไม่ใจสบายก่อนใจสบายแล้วเราก็เห็นวนะ่าร่างกายเป็นหายใจอยู่ร่างกายเมันเดินอยูนะ่ให้เห็นว่าร่างกายเมันเดินนะไม่ใช่เราเดินหรใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเมันเดินเห็นร่างกายมัน น, ม น, นั่ง เห็ร่างกายกินข้าวอะไรเงี้ยนะดูพระธรรมเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นด้วยความรู้สึกไม่ได้เห็นด้วยตานะค่อยๆฝึกไปในสุดกายแต่ใจก็แยกกัน็ัวอื่นก็ไม่ยากอะไรเลยะก็คือเน้นให้หนูดูกายไว้ใช่ไหมคะใช่ดูไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะหลวงพ่อคือช่วงหลังๆมาพอมันดูมันจะเห็นความเค้นข้างในใจค่ะมันมีเค้นกระคายเค้นกระคายมันบีบเหลือเกินแล้วก็บางทีหนูหนูเขา รู้สึกมันทนไม่ไหวจนกระทั่งหนูต้องไปเดินข้างนอกเพราะว่าหนูรับไม่ได้จริงๆทำยังไงอะคะหนูคระเมื่อจิตมันเดินปัญญาแนละ้วนี่สมาธิเราไม่พอนะมันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอิจโรยเบื่อหน่ายหูยหิดนะเราก็จเจริญลมหายใจนะสติรู้ลมนีสติแผ่เมตตา อ, อย่างนี้บ่อยๆนะ ใ, ใจเรามีกำลังมากขึ้นเราเห็นเลย เดี๋ยวก็บีบเดี๋ยวก็คลายเดี๋ยวก็บีบเดี๋ยวก็คลายอันนั้นเป็นขั้นเดินปัญญาแล้วนะ ม, นมันบีบเองคลายเองเห็นไหมหบีบก็ไม่เที่ยงคลายก็ไม่เที่ยงอนั้นแหละขั้นเดินปัญญาแล้วตอนนี้นเราปรับเรื่องสมาธิหน่อยได้ค่ะดูลมหายใจนะคะเออแล้วแผ่เมตตาไปน ะ, ะย้ำแผ่เมตตาให้เยอะเลยดูลมเดี๋ยวซึมพวกโ ม, มหะเยอะบางทีดูลมแล้วซึมไปก็มีนึกแผ่เมตตาเรื่อยๆเลยเ พีแลกแผ่ให้ตัวเองนะให้ตัวสัตว์ตัวนี้เอ้ยจะเป็นสุขเป็นสุขนี้นะแล้วก็แผ่ให้คนที่เรารักต่อไปพอชำนาญแล้วแผ่ให้คนกลางๆไม่รักไม่เกลียดสุดท้ายเราก็แผ่ให้คนที่เราเกลียดถ้าทําได้ถึงจุดนั้นนะใจไม่มีศัตรูเลยใจจะเย็นฉ่าเลยนะแล้วใจมีความสุขดีแล้วเราก็มาดูใจเดี๋ยวก็บีบเดี๋ยวก็คลายดูไปอย่างเย็นฉ่ํามีความสุข เห็นมันบีบมันกลายเราไม่ได้เดือดร้อนเลยขอบขอบกลาวขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อดีภาว น, นายอย่างนี้ถูกใจเ้าใช้กับบ้าน